แล้วตะต้นบอกกดตอนนี้เนี่ยอ่ะกดเลขคอร์ด้งตะต้นก็หกเราอ่ะมันจะนานไปก็พอเพียงไม่จบเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเราให้เขาไปตัดเอาอีก ค น, นาาที่ขวัญวัอเออคนที่ควัญวัไหนโิตเตอร์เอรูุ้ีน่ีคนที่ผมบล็อกหรือเ่าผมประมาณเนี้ยเ<อ>ขาเรียกว่ตีนตีหน่อยอ กรับนผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านครับทานโลกท่านเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันับซึ่งในท่วงนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มอันนี้ชวงด้วยเยหรอวะทำไมสปอร์ตเยอะจังนายงซีนะครับก็เป็นที่จับตามองเพราะว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็จะต้อง ตั้งแต่สิบโมงลงมาเร่คิดรมคุยกับเริ่คิดร่มคุยกับเรืนอน่ารูสึกช่วใจอะไรกไแ้แต่ยมาดูเี่ยเรื่องของถ้ามันมีวิวพาวีเจตธนาาอ๋อแจ้มมีอันันตแจ้งใช่ป่ะเออวิวพาวีใครว่ะก็มีตุงไงสภทาก็างสีรัตสุน้ มิเตอร์นั่นคือะไือของเศรษกิจในช่วงตึ้งปีหลังหลังการขยายตัวก็จะดีในส่วนของเสียวิตใจของกระสิกรเกราังคนาม่เตือนกันบวกนายกจบในที่13ก็จะก็จะทำาสยงดังเนือแต่ถ้าเลือเจอเนี่ยฝนลมหนาวเคยฟังหรอไม่รู้ ึ่โตแคประมาณ2ถึง 2.5 ของขึ้นปีหลังก็จะเจอเรเจอจุดแข็งแคถือนะันก็พอเียวะจูายไงนี่ยความสาารองวรีราากรรมการผู้จัดการงศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย็ะบุคคอันนี้ก็เปิดเพลงด้วยใช่ไหม รครึ่งปีหลังก็จะขยายตัวดีครึ่งปีแรกวา น, น, นะครับแล้วก็บอกว่าได้ได้รับแรงหนึุนมาจากการท่องเที่ยวไปตลอดปี2026ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 28.5 ล้านคนจะทำให้ GDP ในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวประมาณ ล, ละ4 3 ร้อยละส่จ you no ุดส่งขปีแรกที่กงเปนัตัวร้สมนตลดทั้งปีมีูนวิจัยเสิสาี่่บับัญชีเจ้า้ส่งไม่ีาอยเะนี้ตรงนี้ีคงจะต้องดูกครั้งนะารว่าจะเป็นแบบไหนให้กู15บห้าทหม ข้าามข้าหน้าข้าวสารองมข้าสารขึ้นมาดูสกกิข้าวสารข้าเสข้นมาดูสเข้าวสารข่าวสารข้าวสารข้าว่ารข้าวสารข้าวสารข้าวสารข้าวรารข้าวสารข้าวสารขอาวสารข้าวสรข้าวสารข้าวสารข้าวสารข้าวสารขงาวสาข้าสารข้าไปไปไปไว ส, สาวรข้วสารข้าวสารข้าวสารข้าวสา่ข้าวสารข้าวสารอ้าสารข้าวสาข้ารข้าสารวสารข้าวสข้ารข้าวบารข้าวสารข้าวสารข้วสา้วมันก็อยู่รข้า ไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนสถานะเลยแล้วดูเมื่อวานเพิ่งเข้ากรุงเทพพอมาวันนี้มาถึงเลวการเมืองครับแล้วก็จะสัมผัสกับการเคื้นตัวของของเศรษฐกิจก็จะประเชิญกับโจทย์ท้าทายในโจทย์แรกก็คือไม่มีเงินถอดรอก่อนนะไอหนูกก็มีเรียนเรื่องการไม่เอาเรียนี่กูไทยแล้ดด้วยที่มีปัญหา แอล่ที่ทือครัวกจะกระทบต่อ5เกอซตซึ่งอาจจะเป็นมูลค่าประมาณ 48,000 ล้านบาทซึ่งปรากฏการแอลนิโยรอบนี้อาจจะทำให้การผลิตทางการเกษตรลดลงต่อการใช้น้ำเนี่ยาแคนน้ำก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับนะกระทบต่อ อุตสาหกรรมอื่นด้ว ย, วยเช่นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสิท่ทอท่องเที่ยวนะอื่นๆนะครับโรงียาบาลอะไรต่างๆก็กระทบนะครับโจทย์สุดท้ายนะที่เจออยู่ใ น, ในเรื่องของเศรษฐกิจไทยแล้วก็คือนี่ครัวเรือนมนะีสูงประเมินวะ่าสัดส่วนหนีครัวเรือนกนะ็จะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสอ ร่วปลายปีนะครับซึ่งสูงเาฉะ้ตรงนี้ก็คงจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรายไครัวเดือนให้ได้เหมือนกัน่ที่จะแก้ปัญหาให้ได้ในส่วนนี้นะครับะฉนั้นตรงนี้คงจะต้องดูในหลายๆส่วนนะครับมาฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันฟังเพลงสักเพลงครับท่านผู้ชมับ รูปผมมันไม่ขึ้นที่จอเลยเหร อ, อ, อ, อ, อ, อเนีย <c oughs> เย <c oughs> เวลาผมนั่งแล้วมันไม่ขึ้นนะออแสดงว่าไม่ได้ไทย แปรพันราเจ้านั้นไม่สิ้นคราเฝารำเพยคิดถึงแก้มนวนคนที่เคยเฝ้าครวญสัญญาลมที่ชวยอ่อนวหวดังจิตใจไฟ ดังจิตใจไฟหาคอยน้องคอยคอยพี่กลับมาลงที่โชนอ่อนไหวดังจิตใจไฟหาคอยน้องคอยคอยพี่กลับมา ก็มาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะนช่วงนี้นี่เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการค้านะครับนะที่เชื่อมระหว่างจีนมาลาวแล้วก็มามาไทยเราสนใจเพราะว่าการเชื่อมต่อกันโดยโดยทางรางรถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางนี้ก็เริ่มกันขึ้นมาแล้วนะมีการทำรถไฟเชื่อมมาจากจีนมาลาวแล้วนะครับความเร็วสูง ก็จะไทยจะไปลาวนี่เราก็แค่ทําทางรถไฟเรากำลัลงทําทางรถไฟรางคู่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงคนกลางที่จะไปเชื่อมรถไฟลาวที่เวียงจันทร์นี่เราก็คงจะทําไปจากบุดรไปหนองคายแล้วก็เชื่อมเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่จะทําให้การส่งออกเราดีขึ้นโดยเฉพาะผลไม้นะครับนะเพราะจากการเปิดเผยของนางอามร รับทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะก็บอกว่าการส่งออกนะผลไม้เขตร้อนของไทยเราไปจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องหลังจากรถไฟนะจีนเราเปิดให้บริการ ต, ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2064นะก็จะทำให้การส่งออกจากไทยในี่คล่องตัวนะครับนะซึ่งก็ส่งสินค้าไปได้ที่จีนนี่มากโดย ตู้ปรับอากาศทําให้ผลไม้นี่ยังสดนะโดยเฉพาะทุเรียนแหะครับนะเป็นผลไม้อันดับหนึ่งที่ตลาดจีนต้องการนะเราผลิตไม่ทันนะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่ก็น่าสนใจนะรถไฟจีนเรานี่จะลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้านะอาจะจากจา ก, จากไทยเนี่ไปจีนนะเพราะว่าตอก่อนนี่เราส่งทางเรือบ้างนะทางอากาศทางเรืออาจจะช้านะครับ ถ้าส่งทางรางนี่จะไวนะสินค้าของเราก็จะผ่านของคายไปจากลาวก็ไปคุนหมิงของจีนก็ไม่เกิน15ชั่วโมงจ า, จากที่เคยใช้เวลาขนส่งด้วยถนนหรือทางเรือนี่ก็ประมาณ2วันน่แหละครับก็จะถึงนะครับตรงนี้นี่นางอมรก็เปิดเผยว่าการหาเลยกับผู้บริหารโครงการท่าบกของเราวก็เรียกว่าท่านานแล้งเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นท่าบกนะของนครเมิ่งจันทร์เมื่อวันที่เจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการสำรวจนะว่าจะเชื่อมอโยงการสนถ่ายสินค้าจากจากไทยเราไปยังลาวได้อย่างไรนี่นะครับนะซึ่งตรงนี้มูลค่าการส่งออกจากไทยตามเส้นทางนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 1,964 ล้านบาทในปี65นะเพิ่มขึ้นปี6กก็เพิ่มเป็น 2,800 ล้านนะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง 72% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้เราระบายสินค้าไปใ น, ใ น, ในประเทศจีนนี่ ม, มากแลก้วก็เนื่องจากว่าเส้นทางรถไฟนี่มันเป็นเส้นทาง1แถบหนึ่งเส้นทางของจีนนะครับเขาเรียกว่าเส้นทางสายไหม่ใหม่นี่ก็จะเชื่อมโยงจากเราไปจีนจากจีนก็จะออกไปที่ยุโรปได้นะเชื่อมโยงตะวันออกกลางจากยุโรปเขามีทาง รถไฟนะครับความเร็วสูงความ เ, วเป็นการที่เชื่อมโยงกันไปเลยเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่ก็ทําทให้เราส่งออกนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้นี่นะครับนะนะทั้งทุเรียนทั้งสับปะรดทั้งมะม่วงทั้งมัองคุดอะไรต่างๆนี่ก็ขายดีในใ น, ในประเทศจีนนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ต้องมีการพัฒนาเส้นทางที่จะเชื่อมต่อนะเราก็ต้องพัฒนาตอนนี้เราก็กําลังเริ่มแล้วครับนะที่จะทํา นะรถไฟร่างคู่นะแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเข้าในปันกลางนี่ก็จะเริ่มนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะทําอย่างไรที่จะเชื่อมนะเพราะว่ า, อ ย, าอย่างที่บอกแล้วนะว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มานะนอกจากส่งสินค้าไปยังจีนแล้วก็คือ น, นักท่องเที่ยวแหะครับนะนะส่วนใหญ่แล้วก็จีนมีประชากรเป็นพันล้านเนี่ยนะแล้วก็ชอบที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนะก็จะได้อาศัยเนะส้นทางนี้แหะครับนะเส้นทางรถไฟ ความเร็วสูงนี่นะครับมาจากจี น, นมาลาวแล้วก็มาเที่ยวไทยนะเราเจอเป้าหมายที่คนจีนนยอมมาเที่ยวก็อย่างที่บอกก็มีทั้งเชียงใหม่ทั้งพัทยาทั้งภูเก็ตนะภาคตอนออกแล้วก็จะกระจายกันไปทั่วละครับนะทั่วประเทศซึ่งก็มีคนจี น, นมาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นนีต่อไปเราเปิดประเทศแล้วเราก็จะเชื่อมโยงเส้นทางนี้ก็จะทำให้เรามีเม็ดเงิน ก่อเงินต่างประเทศในมากขึ้นก็จะแก้ปัญหาการขาดดุลการขาดทุนทางการค้าปัญหาเศรษฐกิจนะที่ซบเซาได้นะครับเพราะว่าเราเศรษฐกิจเราหยุดนิ่งมาในช่วงของโควิดนะนะทำให้าการค้าการขายนี่ค่อนข้างที่จะฝืดเครื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ถ้าเริ่มมีการกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกให้มากขึ้นนี่ก็จะทําให้เศรษฐกิจนี้ฟื้นตัวนะครับนะฟื้นตัวกัน มากขึ้นถึงตอนนี้นี่เรากำลังแข่งที่จะมีการเปิดให้มีการลงทุนรถไฟฟ้าหรือ e ีวีนะเราแข่งกับอินโดนีเซียแล้วครับว่าที่จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถไฟฟ้าหรือรถ e ีวีในแถบอาเซียนเนี่ยนะครับนะเพราะว่าพยายามที่จะดึงบริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนนะซึ่ง ก, ก็แข่งกันนะ ม, มีพอในอนาคตนี่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบเนี่ยอาจจะ ลดลงนะครับความนิยมลดลงอาจจะเป็นรถไฟฟ้ารถ e b เข้ามาแทนนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องดูนะครับนะว่าทิศทางการลงทุนตรงนี้ในการเมืองต้องนิ่งก่อนนะครับนะแล้วการเมืองนิ่งแล้วก็ผักดันเศรษฐกิจก็จะเติบโตไปด้วยนะก็ใจช่วยในทุกๆฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราควันบุรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสุโขทัครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธนันต์ต้องขอลา ทางผู้ก่อและพบการโอกาสหน้าครับสวัสดีครับเราคงจะต้อง เห็นเธอคุยกับเขาถูกเนื้อต้องตัวใจก็กลัวแต่ฉันทนได้เขามาแอบกรซิบ ก็กลับมา Feel.